คนเทศเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็กลายเป็นว่าถูกด่าถูกว่าก็เลยคนละท่านเลยบอกว่าอย่าไปฟังเทศบ่อยนักบ่อยแล้วมันก็จะเบื่อแล้วบางทีก็จะอาจจะไม่ไม่พอใจ <c oughs> แต่ถ้านานๆานานฟังทีมันก็มีคุณมีประโยชน์เพราะว่าการฟังธรรมะนั้นท่านบอกว่าอนิสงส์นั้นจะเกิดได้ถึงห้าอย่างด้วยกันเกิดหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสาสามารถความทำความเข้าใจให้ถูกต้องสสา ม, มารถขจัดความสงสัยได้ห้าทำให้เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นเป็นสิ่งที่เย็น เหมือนกับเรากินน้ําเย็นเข้าไปในร่างกายเราเมื่อเรารับประทานน้ําเข้าไปน้ําเย็นเข้าไปในร่างกายเราเราก็จะเกิดความรู้สึกเย็นสบายถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะเราก็จะเกิดความเย็นใจเกิดความสบายใจขึ้นมาข้อสาคัญเวลาที่เราฟังธรรมะนั้นขอให้เรามีสติอยู่กับตัวเราคือเราไม่ต้องส่งใจเรามาหาผู้ฟังไม่ต้องไปกังวลว่าผู้ฟังเขาจะพูดอะไรแล้วเราจะจําได้หรือเปล่า ขอให้เราตั้งใจฟังให้ใจเราอยู่กับเสียงที่มาสัมผัสกับหูแล้วเราก็ฟังไปแล้วก็พิจารณาตามที่ท่านพูดท่านแสดงไปถึงเหตุถึงผลที่ท่านแสดงไว้อันไหนที่เราเข้าใจเราก็จะจำได้ไปเองอันไหนที่เราจาไม่ได้เราไม่เข้าใจเราก็จะจาไม่ได้ซึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าการฟังแต่ละครั้งนั้นไม่สามารถที่จะํำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเวลาพูดก็พูดมากพูดไปไดเรื่อย คนฟังก็ฟังไปเรื่อยๆอันไหนเข้าใจก็จะได้รับประโยชน์บางทีก็ร้องอ๋อขึ้นมาแสดงว่าเข้าใจแล้วถึงวางอ้อเนี่ยเพราะบางทีเมื่อก่อนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าได้ฟังซ้ำๆบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็จะสามารถกระจัดความสงสัยไปได้ทำความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องนะอย่างเช่นการที่เรามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ ก็เหมือนกับการที่เราจะเดินทางเราเดินทางไปสู่จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งการที่เรามาจากจากบ้านมาที่วัดนี้เราก็ต้องอาศัยรถยนต์เป็นพาหนะพาเรามาที่นี่เราที่เราจะไปจากจุดนี้คือถ้าเราไม่มีความพอใจในชีวิตของเราในสภาพที่เราไม่อยู่เป็นอยู่นี้เราคิดว่าเราน่าจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นกว่านี้เช่นเราอยากจะไปเป็นคนที่ดีขึ้น ตอนนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสินมีธรรมขาดถึงขาดไปอันนี้บางทีก็หยุดไปเลยถ้าเราเห็นว่าเราเราขาดถึงขาดรมเราอยากจะให้ให้ตัวเรานั้นมีศินมีธรรมมีคุณงามความดีมากขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ เราอยากจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่มีความสุขทางด้านจิตใจอันนี้เราก็ต้องต้องยกระดับจิตใจของเราในตัวของเราเองให้เกิดให้ให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องพัฒนางนั้นจิตใจเรานี่จะเดินทางจากสู่จุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้นั้นจิตใจก็ต้องมี <c oughs> มีเชื้อเพลิงเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี่จะมา จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้เนี่ยจะต้องอาศัยน้ำมันอาศัยน้ำมันสําหรับขับเคลื่อนเครื่องยนต์อาศัยน้ำมันเครื่องสําหรับหล่อเลื่องหล่อลื่นอาศัยน้ําสําหรับทําให้ระบายความร้อนอาศัยน้ํากันที่ใส่ไว้ในแบตเตอรี่อาศัยน้ํน า, ามันหลายๆอย่างที่มีอยู่ในเครื่องยนต์ถ้าขาดน้ํามันอย่างใดอย่างหนึ่งในเครื่องยนต์แล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะเดิน เดินไปได้โดยราบรื่นไม่สามารถที่จะเราพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายอย่างถ้าโยมขับรถไปเนี่ยเกิดน้ําหมดเนี้น้ํามันแห้งขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันก็ร้อนก็วิ่งไม่ได้แล้วหรือถ้าวิ่งไปน้ํามันหมดนี้รถก็ไม่วิ่งอีกแลหรือว่าน้ํามันเครื่องมันไหลออกหมดรถมันหล่อลื่นไม่มีน้ำมันหล่อเลื่นเครื่องลูกสูบมันวิ่งไปเดี๋ยวมันก็ติดมันก็ไปไม่ได้ ดังใดการที่เราจะเดินทางจากสภาพที่เรามีอยู่เป็นอยู่อย่ขณะ น, นี้ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีขึ้นกว่านี้เช่นเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่มีปัญญามีความฉลาดรอบรู้เราก็ต้องอาศัยธรรมะที่เรียกว่านา้นมนามันแห่งธรรมะน้ามันแห่งธรรมะนี้ประกอบขึ้นด้วยห้ า, หาอย่างด้วยกันอ ย, อย่างที่อย่างที่หนึ่งเราเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อ อย่างที่สองเราเรียกว่าเวริยะความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรอย่างที่สามเราเรียกว่าสติ อ, อ, อย่างที่ห้าอย่างที่สี่เราเรียกว่าสมาธิแล้วอย่างที่ห้าเราเรียกว่าปัญญาออนี่คือน้ำมันห้าชนิดที่เราจะต้องมีไว้สำหรับขับเคลื่อนจิตใจเราให้ไปสู่ที่ที่ดีที่งามไปสู่สวรรค์ไปสู่มรรคผลผนิพพานก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อริยะสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เดินทางกันไปท่านก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้น้ํามันเป็นเครื่องขับขับเคลื่อนผักดันให้จิตใ จ, จของท่านนั้นสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะไปได้สิ่งแรกที่พูดถึงก็คือศรัทธาเราจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เืิดเราต้องเชื่อในความตัดสิ้ของพุทธเจ้า เช่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสปุตุชนเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ปุตุชนกับพระอรหันต์นี่เปรียบเกันเป็นคนคนละฟ้ากันพวกเรายังเป็นปุตุชนอยู่เรายังมีความโลภมีความโกรธความหลงอยู่ทําให้เรามีความทุกข์มีความไม่สบายใจแต่พระอรหันต์นี่ท่านสิ้นกิเลสแล้ว ถ้าไม่มีความทุกข์ใจเพราะว่าสาเหตุที่เกิดทาให้เกิดความทุกข์ใจนั้นมันหมดสิ้นไปแล้วนี่ก็คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งขอให้เราเชื่อไว้ว่าท่านบรรลุแล้วสำเร็จแล้วเมื่อท่านบรรลุแล้วสำเร็จแล้วท่านก็รู้ความวิธีที่จะมาถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับพวกเราท่านถึงสั่งสอนประกาศสอนสาศาสนาให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย สอนทั้งมนุษย์สอนทั้งเทวดามนุษย์นี้เราก็รู้อยู่อย่างพระอริยาสาวกที่พระกรูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเรานี้ท่านก็ได้รับคำสอนของพุทธเจ้ามาใช้มาปฏิบัติแล้วก็นำพาท่านไปสู่จุดสูงสุดในถึงเป็นพระอรหันต์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสำเร็จอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องสงสยัยเป็นเรื่องที่เราควรจะเชื่อว่าพระธรรมคาสอนที่พพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำํำพ <Yeah. S 1> ระพุทธเจ้านอกจากสอนมนุษย์แล้วนั้นท่านยังสอนเทวดาด้วยไม่ทราบว่าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าเทวดาก็มีเราเรียกว่าพวกกายทิพย์พวกกายทิพกกย์นี่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้ในตาทิพย์ในท้าทิพย์นี้จะเห็นได้ก็ต้องเมื่อมีสมาธิก่อนอย่างพระพุทธเจ้านั้นท่านมีสมาธิ ท่า น, นสามารถส่งกระแสจิตให้ไปสู่ไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกายทิพย์ได้เพราะฉะนั้นเวลาุูธเจ้าทรงเข้าสมาธินั้นจะมีเทวดาเข้ามาฟังธรรมกับุทธเจ้าโดยเสมอคือกิจของุูธเจ้านั้นวันหนึ่งนีท่านทำอยู่ห้าอย่างด้วยกันตอนบ่ายท่านอบรมสั่งสอนคารวาดญาติโยม อย่างที่พวกเรานี่มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้พระพุทธเจ้าทุกตอนบ่ายก็จะสั่งสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วพอตอนค่ําท่านก็จะสั่งสอนพระเนนแล้วพอตกดึกท่านก็จะสั่งสอนเทวดาโดยการเข้าสู่สมาธิแล้วก็แสดงสอนธรรมะให้กับให้กับเทวดาทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วตอน เช้าก่อนออกบิณฑบาตท่านก็จะทรงเรียงญาณดูว่าวันนี้จะไปโปรดใครก่อนไปโปรดญาติโยมคนไหนดีคนไหนที่สามารถที่จะบรรลุรู้ธรรมได้เร็วหรือ ว, ว่ากําลังจะต้องมีเหตุอันเป็นไปท่านก็จะไปโปรดผู้นั้นก่อนแล้วท่านก็จะไปบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่คือกิ จ, กจวัตรประจําที่พระพุทธเจ้าทรงทรงประกอบไว้ตลอด 4, 5, สี่สิห้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรง มีพระชนอาชีพยอยู่หลังจากที่พระองค์ทรงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนานั้นจะเห็นได้ว่ามีการสั่งสอนถ่ายทอดวิชาธรรมะให้กับผู้ที่สนใจเพื่อที่จะได้นำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อผู้ที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็จะได้รับผลประโยชน์จากธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี่ก็คือหลักของ ของธรรมะหลักที่ว่าเราหลักของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงประกอบคุณงามความดีเหล่านี้ไว้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงมีคนมีประโยชน์แล้วก็นํามาถ่ายทอดสั่งสอนให้กับพวกเรา mm. เราเชื่อันนี้ไว้แล้วเราก็จะไม่สงสัย ในสิ่งต่างๆในธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าเนะ่นั้นความศรัทธาในพุทธเจ้าก็เชื่อมต่อมาที่ศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าที่เรียกว่าศรัทธาศรัทธาในพระธรรมคําสอนคือคําสอนพุทธเจ้าทนะ่านทรง ส, งสอนให้พวกเราประกอบคุณงามความดีทําความดีละความชื่อทําจิตใจให้สะอาดนี่คือวิถีทางที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงถ้าพวกเรา เชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อในคำสอนของท่านว่าคำสอนพพุทธเจ้านะั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยาไม่มีอะไรจะดีกว่านี้ต่อให้เราได้มีเงินมีทองร่ารวยมีเงินเป็นล้านๆก็ตามเถิดเราจะไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ของภายนอกไม่ได้อยู่บุคคลคนอื่นเช่นได้แฟนมาได้คู่รักมา อย่าไปคิดว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความรู้สึกดีใจดีอกดีใจแต่ต่อไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่เราได้มาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแปลสภาพจากใหม่ก็กลายเป็นเก่าจากหวานก็กลายเป็นขม อ, อ, อันนี้เป็นหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินมีทองคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่จะซื้อได้เนี่ย เขาไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็ น, เ, ปนเหตุหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของคนนั้นเกิดความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็ตามเป็นถึงพระราชามหาอักรรษกรก็ตามในสมัยพุทธกาลเขาสามารถสละเงินสละทองสละราชสมบัติแล้วออกบวชกันเพราะเขาเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้นั้นมันอยู่ที่จิตใจของเรา มันอยู่ที่จิตใจที่สิ้นกิเลสที่หมดกิเลสทุกวันนี้ที่เราไม่มีความสุขกันนั้นที่เรามีความทุกข์กันนั้นสญญาเหตุก็เกิดจากเพราะว่ากิเลสนั่นเองตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเป็นตัวก่อกวนรังควานจิตใจเราทําให้เราไม่มีความรู้สึกอิ่มไม่มีความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรากําลังขาดอะไรเรากําหนัดเรากําลังต้องการอะไรนี่คือนี่คือนี่คือผลของกิเลส ถ้าเราสามารถชำระ ก, กิเลสออกไปได้หมดจต่งกิงจจากใจแล้วเราจะไม่มีตัวมาก่อกวนโยโยงหลอกเราให้เราเกิดความอยากอยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้อยากไปนู่นอยากมานี่อยากได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะเราก็จะได้เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่พอซื้อมาแล้วก็จะมีความสุขมันก็สุขอยู่หรอกแต่มันสุขแค่ประเดียวประเดาแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อเมื่อมันเกิดความชินชาขึ้นมา มันก็อยากจะได้อย่างอื่นอีกแล้วนี่คือลักษณะของความอยากได้เท่าไหร่อะไรก็ไม่พอเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนทีงสอนบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินมีทองสามารถที่จะซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้มาได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ ตั้งอยู่ความพื้นฐานของความเป็นสภาพที่ไม่อยู่ในความควบคุมของเรา <c oughs> เราคิดว่าเรามีสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่พอเราได้มาแล้วสักระยะหนึ่งเราก็เบื่อกับสิ่งนั้นไปหรือสิ่งไหนที่เราชอบอยู่กิดสิ่งนั้นมันเกิดชำรุดทุดทรมหรือพังหรือเสียหายไปหรือตายจากเราไปหรือพัดพากจากเราไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นั้นขอให้จําไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเห็นด้วยตาก็ดีได้ยินด้วยหูก็ดีสัมผัส ด, ด้วยลื่นเลือด้วยจมูกหรือด้วยกายของเราก็ดีนั้นทั้งหมดนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนต้องมีการพลาดภาคจากเราไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเราชอบสิ่งไหนเรารักสิ่งไหนแล้วสิ่งนั้นเกิดสูญสลายดับไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยเห็นนี้เองพระพุทธเจ้าถึงสละพระราชสมบัติทั้งหมด ที่พระ อ, องค์ทรงมีอยู่แล้วออกบวชเพื่อที่จะหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญสุข <S 1> <S 1> <S เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนั่นเองเป็นความสงบระงับของกิเลสเมื่อกิเลสตัณหาสงบระงับลงใจก็เย็นใจก็สบายใจก็มีความอิ่มเอิบใจก็มีความสุข แต่ถ้าเมื่อกิเลสมันออกอาการออกมาทีไรใจนี่ร้อนเป็นไฟกลายเป็นหน้าหน้ายักษ์หน้ามานไปเวลาโกรธแค้นใครนี่หน้าตาไปดูคนโกรธดูมันเป็นยังไงดูไม่ได้หรอก mm hmm. หรือเวลาโลภเป็นยังไงหน้าตาของคนเรานั่นแหละอาการของกิเลสแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้สงบลงแล้วอาการเมตตากรุณาก็จะปรากฏออกมามีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความให้ <Yeah. S 1> ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ได้ ให้แม้กระทั่งให้อภัย<ม>นี่คือลักษณะของจิตใจที่ปราศจากกิเลสเป็นจิตใจที่มีความสุขอย่างยิ่ง<ม><ม>ฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธาเชื่อในพระธรรมคําคสอนอันนี้<ม><ม>แล้วขอให้เชื่อในพระสงฆ์อริยะเจ้าซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะอันนี้จากพระพุทธเจ้ามาสู่พวกเราอีกทอดหนึ่งอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเห็นนั่งประทัอยู่ข้างหน้าเรานี้ เรามีความเชื่อมั่นว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระราหารันเป็นผู้ที่สำเร็จแล้วบรรลุแล้วท่านปฏิบัติประพฤติชอบเอาธรรมะวุ้ามาปฏิบัติจนกระทั่งทำลายล้างกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปที่ท่านเรียกว่าเป็นอริยาสาวกเป็นเนื้อนาบุญของโลกทำบุญกับท่านนี้มีแต่จะได้บุญโดยถ่ายเดียวเพราะว่าทาบุญกับท่านแล้วจะได้ยินได้ฟังคาสอนของท่านด้วย ท่นจะสอนเราในเรื่องที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเอาไปพูดปฏิบัติเราก็จะได้ประโยชน์อันสูงสุดนีด้ไม่ดีลราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอีกคนในที่สุดเนี่ยนี่คือนี่คือหลักของจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเข้าวัดก็คือเพื่อที่จะทําจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำจิตใจเราให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเราไม่ได้มาเข้าวัดเพื่อที่จะมาขอลูกขอสามีนะ ขอให้สามีซื่อสัตว์กับเราขอให้ลูกเราดีไอ้สิ่งวันนี้เราขอไม่ได้หรอกมันเรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญเป็นกุศลของเขาเขาทํามาอย่างไรเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นกรรมของเราต่างหากที่เราไปหลงติดกับเขาถ้าเราฉลาดแล้วก็ตัดเสียทิ้งเสียอยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะแย ะ, ย ะ, ยะถ้าไปหลงติดกับเขาแล้วทีนี้ใจก็ต้องกุ้มออกกุ้มใจไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรใจเราอยากจะให้เขาดี แต่เขาไม่ดีด้วยเราจะทําอย่างไร <Yeah. S 2> เราก็จะมีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียว <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นการมาวัดนี่ไม่เลยมาเพื่อขออะไรมาเพื่อฟังเหตุฟังผลฟังวิธีว่าจะทําอย่างไรทําให้ตัวเรานี้อยู่อย่างสุขสบายอย่างแท้จริงโดยที่เราไม่ต้องไปขออะไรจากใครศ <Yeah. S 2> าสนาพุทธนี่ไม่ไม่ได้สอนให้คนขอศาสนาพุทธนี่สอนให้คนทําำ mm hmm. ที่เรียกว่าอ ah ัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน yeah. อย่าไปนั่งจุดทูบสามดอกแล้วไปนั่งขอนน่นขอนี่เลยขอจนตายก็ไม่ได้หรอกถ้าขอได้มงไทยนี้จเจริญเจริญเพ่าะอะไรเพราะว่าขายทูบขายดิบขายดีไม่ต้องทําอะไรหรอกผลิตแต่ทูบอย่างเดียวคนก็ซื้อแต่ทูบแล้วก็ไปนั่งจุดขออยากจะได้เงินกี่ล้านกี่แสนมันก็ลอยมาแล้วกระทั่งเดี๋ยวนี้ประเทศจะล่มจมทุกวันนี้ก็เพราะขอกันเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาสักเท่าไหร่เึ็นดูเลยเพราะคนไทยเราขาดศินและทำ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตทุกคนร่วมกันกินบ้านกินเมืองกันบ้านเมืองก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้แล้วก็มานั่งขอกันขอไม่ได้หรอกเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้ถึงมาถึงธรรมะข้อที่สองที่เรียกว่าถ้าเราหวังผลนั้นเลิศจากการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรขยันมาวัดขยันใส่บาตรขยันรักษาศีล ขยานฟังเทศฟังธรรมขยันทำบุญตามฐานะของเราคือพยายามทำให้มากอย่าขี้เกียจขี้ค้านเพราะว่าทำเราทำได้เท่าไหร่แล้วก็เป็นของของเราทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ของอย่างนี้คนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกท่านก็ทำให้เราไม่ได้ท่า น, เ ป, นเป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนะแนวทางเป็นผู้บอกวิธีว่าทำยังไงเราถึงจะรวย แต่อันนี้ไม่ได้รวยทางเงินทองนะแต่รวยทางด้านสมบัติภายในที่เรียกว่าอริยะสมบัติรวยด้วยศีลรวยด้วยทานรวยด้วยความสุขใจรวยด้วยความอิ่มเอิบใจอันนี้เราสามารถที่จะร่ำรวยได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ไม่สูญหายไปไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมาแย่งมาขโมยจากเราไปได้ไม่เหมือนสมบัติภายนอกอย่างสามีเราหรือภรรยาของเรานี่คนอื่นเข้ามาแย่งของเราไปได้ ลูกเราข้าวของของเรานี่อาจจะโดนคนอื่นเข้ามารักขโมยไปได้นะแต่สมบัติที่แท้จริงของเราที่อยู่ในใจของเรานั้นไม่มีใครสามารถที่จะมาขโมยจากเราไปได้บุญกุศลอันนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราบุญกุศลอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองเป็นผู้ที่ให้ความสุขความสบายกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าตายไปก็ไปสู่ที่สุคติ ไปสู่ที่ดีไม่ไปสู่ที่ต่ำไม่ไปเอายไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญกุศลแล้วยังน้อยที่สุดก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีเงินมีทองมีความฉลาดรอบรู้ไม่มีความทุกข์ทลุนทลายเป็นคนที่แบบว่ามาสว่างเพราะบุญพามา ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วก็ไปแบบคนไปมืดๆคนเบิ้ลไปมืดก็ไปไปสู่ที่ต่ํานั่นเองไปสู่อบายไปเป็นเบลฉานไปเป็นแมวมั่งเป็นนกมั่งเอเป็นวัวเป็นควายมั่ ง, งนี้เป็นต้นอันนี้เพราะสาเหตุเพราะว่าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้รักษาศีลนี่คือหลักของธรรมะเรื่องของหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้น ท่านถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ดีได้ดีเราอยากจะไปสู่ที่ดีไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไปสู่อรยิยภูมิเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะพยายามเร่งพยายามทําแต่ความดีท่านสอนบอกว่าให้พยายามรักษาความดีที่เรามีอยู่ไว้ไม่ให้มันเสื่อมถอยไปแล้วพยายามสร้างความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นสมมุติว่า ตอนนี้เรามีศีลห้าแล้วพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันหายไปแล้วตอนนี้ต่อไปเราก็พยายามเพิ่มขึ้นมาจากศีลห้าให้เป็นศีลแปดคือรักษาความดีที่เรามีไว้คือศีลห้าแล้วก็พยายามสร้างความดีใหม่ให้เพิ่มพูนขึ้นมาก็คือพยายามสร้างให้เป็นศีลแปดขึ้นมาจากศีลห้าให้เป็นศีลแปดจากศีลแปก็ให้เพิ่มเป็นศีลสิบ จากเซนบก็ให้เป็นสอง้อยบเจ็ดนี่ยบวชพระไปเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่งาม <c oughs> ทำไปส่วนแล้วก็ให้พยายามเพียนรักษาป้องกันไม่ให้บาปที่เราละแล้วนั้นเก่ยขึ้นอีกเ <c oughs> ช่นเราเป็นคนเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนโลภโมโทสันโมโหเก่งใช้อารมณ์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใจเย็นมีเหตุมีผล ใครเขาจะว่าอะไรเราเราก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองอันนี้ก็คือความชั่วที่เราได้ละแล้วคือความโกรธแล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันกลับคืนขึ้นมาอีกแล้วส่วนความความชั่วอันไหนที่เรายังมีอยู่เช่นอาจจะความงอนความความงอนความดื้อดึงอะไรอย่างนี้เราก็พยายามแก้ไขเสียพยายามาตัดเสียให้มันหมดไป ไม่เป็นคนที่มีแต่เหตุมีแต่ผล science, right? <fidelity? S 1> นะละความโลภความโกรธความหลงถ้าเรายังละไม่ได้ก็ละมันเสียสิ่งไหนที่เราได้ละละได้แล้วก็พยายามอย่าให้มันกลับพลุนเกินขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะของการมีความเพียรพยายามเพียรพยายามทําความดีเพียรพยายามละความชั่วเพียรพยายามทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการชําระจิตใจให้ปรชาชิบจัด ความโลภความโกรธความหลงนี่คือธรรมะข้อที่สองที่จะพูดไว้ขั้นต้นก็คือให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนเชื่อในพ ร, พระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์แล้วเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบกระทำตามคําสอนของวุทธเจ้าของพระสงฆ์เพราะรู้ว่าเมื่อทําไปแล้วมีแต่ผลดีตามมาโดยถ่ายเดียวคนที่ไม่เชื่อนี้มักจะเกิดความเกลียดแคลงสงสัย เช่นว่าเอ๊ะทําไปแล้วจะมีไปตายไปจะได้ไปสวรรค์จริงหรือเปล่ามีสวรรค์จริงหรือเปล่านารกมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเขาหลอกเราหลอกให้เราทําความดีแล้วเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสู้เราไปเที่ยวสนุกสนานในหาไม่ดีกว่ากินเหล้าเมายานารกมันไม่มีมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรดีกว่ามานั่งหลับตาทนอ ด, อดท น, ทนอดอดหยาดหยาดเข้าเย็นก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยกลับไม่ได้อะไรเลย ถ้าเราคิดอย่างนี้สแสดงว่าเรามีความสงสัยเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราเชื่อว่าการที่เรามาจําศีลอดข้าวเย็นอย่างนี้ถึงแม้จะทุกข์จะยากจะลาบากแต่ผลที่ดีมันจะเกิดขึ้นตามมามันมาทีหลังเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้ท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วท่านเป็นผู้รับรองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทาให้ตัวเรานั้นมีความสุขที่แท้จริง เมื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบคุณงามความดีจะมาวัดอยู่ทุกวันพระอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยแต่พอเริ่มมาเข้าวัดเข้าวาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเริ่มเห็นเห็นถึงคุณของการที่เรามาวัดมาวาเราได้รับสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนคือธรรมะนี่มันเป็นของที่ไม่เหมือนกับของวัตถุสิ่งของไม่เหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี่เราเห็นกับตาได้ใช่ไม แต่ธรรมะนี่มันเป็นของเป็นนามธรรมมันค่อยๆซึมซาบเข้าไปในจิตใจเรามันบางทีเข้าวัดต้องหลายครั้งหลายหนก็ยังไม่รู้สึกว่าได้อะไรแต่มันค่อยๆซึมซาบเข้าไปเรื่อยๆแล้วดีไม่ดีวันหนึ่งมันก็จะเกิดความรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อที่เรามาวัดทุกวันทุกวันนี้ก็เพื่อ อ, อันนี้เองหรือ ว, ว่าบางทีต่อไปในชีวิตของเราข้างหน้าเราอาจจะไปประสบมรสุมทางชีวิต อาจจะประสบสิ่งที่เราไม่ไม่พึงปรารถนาก็เค้อกรรมสูญเสียในสิ่งที่เรารักที่เราชอบอย่างเนี้แต่พอเรามีธรรมะนึกถึงธรรมะพุทธเจ้าขึ้นมาได้เนี่ยใจเราก็เยน็นแทนที่เราจะโศกเศรา้าเสียใจทุกข์ทรมานร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับพอเรานึกถึงธรรมะพรุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดกับคนทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะต้องไปเสียอกเสียใจอะไรเลย ชีวิตเรายังมีเราต้องดำเนินต่อไปเราก็ต้องทำตัวของเราทำใจของเราให้เป็นปกติเราไม่ต้องเสียหลักล้มลงไปเนี่ยถ้าเราได้สติได้ธรรมะเกิดขึ้นมาเนี่เราก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะว่าอ๋อที่เราเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเราเข้าเพื่ออะไรแต่เมื่อเราเกิดประสบข้อกรรมเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมาช่วยเราช่วยทาให้จิตใจเรานั้นเยน็นจิตใจ